ปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสมาอยู่วัดมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเนะพราะเรามาอยู่ในสถานที่ที่เน้นการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเลยแล้วเราก็มีเวลามากเลยทําอะไรเราก็อยู่ในท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมสำรวมระวัง อักษาจิตใจของเราก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วสาคัญโดยเฉพจิตของเราเนี่ยมันชอบไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามานี่แหละที่มันเสียเวลาเนี่ยใจ้จิตของเราเนี่ยมันต้องไหลออกไปข้างนอกก่อนส่งกระแสออกไปข้างนอกพอไปแล้วมันก็ไปเอาเรื่อง ข้างนอกย้อนกลับเข้ามากุ้มลุมตัวเอง่มาครอบงําตัวเองแล้วมันก็หลอกเราด้วยความหลงวันนี้ยมันหลอกเรามาเป็นเพราะเรื่องข้างนอกเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันจะหลอกเราอย่างเนี้ยมันก็เลยดับทุกไม่ได้ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารก็คือว่า เราไม่รู้เล่หเหลี่ยมของพวกอวิชชาเนี่ยทิงตัวจิตของเราเองต่างหากที่มันขาดสติปัญญามันหลง ม, มีตัวมีตนแล้วมันก็ไปเที่ยวเอาเรื่องราวข้างนอกเข้ามาแล้วธรรมชาติคนมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์ที่อยู่กันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ด้วย อยู่กันด้วยความหลงเนี่ยปล่อยจิตปล่อยใจเชื่อตามความคิดความเห็นของตัวเองประมาทส่งใจไปอย่างอื่นไม่สำรวน จ, จิตใจไม่ตั้งสติหัวคุ้มจิตไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของรพระพุทธเจ้าจิตก็เลยลุ่มหลงไปส่วนใหญ่หลงไปเอาเรื่องข้างนอก เข้ามาปุงแต่งแล้วก็ครอบงำจิตตอนแรกบางทีไม่มีทุกข์อะไรนะบางครั้งก็ไม่ได้มีทุกข์ไม่มีเรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองมันนึกถึงไอ้เรื่องข้างนอกขึ้นมาบางเรื่องที่มันเคยมีอิทธิพลต่อจิตเรามันมุกเข้ามาแต่ทีนี้มันก็ปุดๆขึ้นเนี่ยแค่นี้เองมันก็บีบคันแล้วนะ มันก็กายเราก็ร้อนขึ้นมาจิตก็ร้อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปุงแต่งคิดไม่หยุดจริงป๊ปุบปุ๊บปมาเหมือนมอนมันปุดปุดปุดปุดขึ้นอ่ะมันแรงขึ้นแรงขึ้นความคิดเขามากขึ้นมากก็ามีกำลังมีกำลังก็มีอิทธิพลแล้วมันไหลมาไหลมาเลยนะคราวนี้เป็นเราหมดเลยเป็ตัวเราเลย แล้วมันก็เลยทำให้จิตเราเป็นทุกข์แต่ก่อนไม่มีอยู่ยิ่งเจอบางครั้งเนี่ยดูได้เลยนะพอเราเริ่มทำอะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็มันรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไปแล้วมันนึกตำหนิตัวเองหรือว่าเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาร่างกายเราก็เริ่มผิดปกติไปก็มีผลต่อจิต ด, ด้วยนะให้ร่างกายเนี่ยที่มันผิดปกติ นี่คือเวลาเราทํากรรมดีและไม่ดีก็าตามแสดงว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือมันมันมันจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทอย่างนั้นนะและว้วสัตว์อบายาภูมิเนี่ยเหมือนกับมันแฝงร่างเข้ามาอยู่ในร่างของเราซ้อนอยู่ในร่างของเราเนี่ยมันจะเตรียม เตรียมไปรับผลกรรมอันเนี้ยที่เราทำเนี่ยสภาวะเหล่านั้นมันบอกแล้วร่างกายก็เริ่มผิดปกติรุ่มร้อนขึ้นมาแล้วปุดๆขึ้นมาแล้วเลือดลมขึ้นมาท่าต่างๆร่างกายเราเริ่มปวนแปรแล้วจิตใจก็เริ่มปรุงแต่งบุบบุบบุบขึ้นทั้งกายทั้งใจเลยทีนี้ ถ้าเราไม่ฝึกจิตคิดดูก็แล้วแ ห, ะหนะว่าเราจะหนีจากความทุกข์เหล่านี้พ้นไหย ม, มันหนีไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเราฝึกจิตเนี่ยสติของเราก็จะเริกรู้วิธีอ่ะก็ยอมรับไปก่อนว่าเออมันมันเรายังสติเรายังไม่พอควบคุมจิตยังไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเราพยายาม เดี๋ยวสถีเรามีกำลังเมื่อไหร่มันก็ทันดูเฉาความตั้งใจของเราความเป็นอยู่ของเราถูกต้องทานศีลของเราเนี่ยบริบูรณ์ทำความดีทำสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยละคันกระทาที่มันทำให้เราเดือดร้อนใจทีหลังนี่เลย ว, ว่าเป็นฝ่ายศีลทำให้ชิตเรามีพื้นฐานที่ดี ประเภทนี้ทุกข์ก็น้อยปัญหาก็ลดลงไปเพราะว่าเราละมัดระวังนี่มันต้องเริ่มความเป็นอยู่ก็ถูกต้องต่อไปก็มีสติรักษาจิตเนี่ยอารียกอาิจิตเนี่ยอาทิตศีนอาทิจิตพยายามสำรวงจิตควบคุมจิตเอาไวา้รอเวลาให้จิตตั้งมัน่น อันี่คือมันมันมันก็ใช้เวลาการที่จิตมันจะตั้งมั่นแต่ถ้าหาว่าเราฝึกปฏิบัติชํารวมอยู่ไม่หยุดหย่อนมันก็ต้องตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะรู้ความจริงขึ้นมามันก็เห็นพวกนี้แล้วปรากฏคารที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเรานี่แหละที่จงมันก็เกิดแล้วก็ดับไป ทำไม่ถูกต้องเหรอยอมรับไปก่อนมันก็มีโอกาสพิพากษาได้เพราะเรายังไม่รู้มันเป็นประสบการณ์มันมันเป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งข้อพิพาทบกพร่องมี้เป็นการเรียนรู้พอเรารู้ว่าผิดเราตั้งใจแก้ไขปับ๊บถูกขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเลยนม่ต้ยยองแกยมย่อ และรู้ว่าผ right. ิดมีกิเลสวมีกิเลสเนี่ยเรียวานี่แดีถูกต้องถ้ามีกิเลสมีรู้มีมีกิเลสนี่โอ้ท่นว่าแย่มากท่านว่าเร็วฉันใชาคำว่าเร็วเลยนะมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสนี่ยอันนี้ดี ไม่มีกิดเดสก็ไม่รู้ว่าไม่มีกิดเดกก็ไม่ดีเลวอีกเพราะมันหลงมันไม่รู้เรื่องอเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องจิตของเราไม่ฉลาดในจิตของคนอื่นให้มาฉลาดในวาระจิตของตนเนี่ยพระเจ้าสั่งเอาไว้จิตของเราเป็นยังไงต้องให้รู้จิตเรามีความเศร้าหมองให้รู้มีความโกรธก็ให้รู้ มีความพยาบาทให้รู้มีทีนามิทะให้รู้มีความสงสัยให้รู้มีความสงสัยมีมากหรือมีน้อยนี่ได้มาฉลาดนเป็นจิตของเราเองมันมีความตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ด้วยนะขนาดนั้นเลยนะเอาให้รู้จิตของตัวเองรย้ละเอียดไปเรื่อยๆเอาวันนี้ไปให้ปฏิบัติ สติกันปฏิบัติกันก็รู้วิธีรู้หลักกานแล้ว เ, เตรียมตัวนะรู้ตัวนะระวังดีๆนะเดี๋ยวมานมันกดหัวเอานะเหมือนกดคอกดหัวกล้มลงไปแล้วมาคุมจิตเอาไว้มันก็จะไม่สามารถรู้อะไร จะจมอยู่เลยทองเห็นตื่นอยู่ข้างในสติต้องเร็วต้องรู้ทันแตอนนี้เราดูอะไรอยู่ยให้รู้ตัววิทยามันเป็นของเราได้ไหมมันเป็นเราได้ไหมเป็นของเราได้ไม้มมือมันอยู่ใี่ร่างกายอะ จิตเราจะไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราได้ไหมต้องให้จิตมันรู้วทยานี่มันมันสัตวแต่ว่ า, าวิทยาจริงมันอยู่ที่ร่างกายจริงใชจิตให้จิตเนี่ยมันมันไปสเสวยมันไปกินเข้ามาแล้วไปเอาเข้ามา มันก็เลยเจ็บปวดทรมานทุรนทุรายเราก็ต้องสอนให้จิตรู้ทางการแพทย์เนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเขาเวลาคนเจ็บปว่วยเขาจะต้องหาวิธีช่วยเหลือคือเขาต้องช่วยเหลือคนปว่วยเช่นเจ็บปวดมากๆเขาก็ต้องชิมอมฟีน เขาจะต้องหาทางช่วยแต่ถ้าโดยหลักธรรมแล้วเนี่ยถ้ามันมีเวทนาเกิดขึ้นมีการดิพันเกิดขึ้นถ้าหากว่าคนที่เคยฝึกจิตเนี่ยจิตมันจะรู้วิธีปล่อยวางได้เองจิตเนี่ยมันจะพัฒนาตัวของมันเองจนสามารถยอมรับเวทนาได้มันก็ได้ประโยชน์ ทางจิตใจเนาะว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์ใจเนจะไปเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะวางเรื่อยทีนี้ถ้าเวทนามันรุนแรงขึ้นจิตเนี่ยมันก็หาทางออกเข้ามันได้ก็คือว่ามันก็เข้าไปรู้พร้อมไปรู้มันไปเห็นนี่ยตัวตัวตัวรู้นี่มันเป็นตัวจิต่ ไอ่ตัวที่ถูกรู้นะั้นมันเป็นเวทนามันก็รู้ชัดถึงเวทนาไม่ใช่จิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วก็วางไปเรื่อยถ้าเวทนาแรงขึ้นก็มีบ้างที่ถ้าว่าปัญญาอันนี้มันยังไม่พอมันก็มีความทุรนทุรายบ้างเจ็บปวดทุกข์ทรมานบ้างหลงยึดว่าเวทนาเป็นของเราแต่ถ้าเราสู้ต่อไปต้องมันต้องปล่อยได้ เจ็บปวดขนาดไหนก็นตามพา่าเวทนาไม่ใช่จิตมันเป็นเรื่องของเวทนาเท่านั้นจิตต้องรู้ได้ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงนี่มันก็เลยต้องอาศัยให้ให้ได้ใช้จิตได้ต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าคนฝึกจิตเนี่ยถ้าเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยมามันมีความพร้อมมาก ที่เจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยจิตมันก็ยิ่งจะไปเรียนรู้ศึกษาเข้าใจแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปมันก็มีทางออกได้ผลนทุกได้คือมันมันจิตมันยอมรับได้นั่นเองแต่ถ้าโดยศาสตร์ของฝรั่งทางแพทย์ทางการแพทย์ของเขาเนี่ยเขาอยากให้จิตดีเหมือนกันแต่ว่าจิตดีของเขาหมายว่าไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่สวรรค์ไปอยู่ในที่สุขสบาย เพเขาต้องหาทางช่วยเหลือฉีดโมโฟีนทีนี้พอฉีดโมโฟีนไปแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้ฝึกจรินความเจ็บปวดมันก็จะเพิ่มขึ้นจิตมันก็ยิ่งทุกข์ทรมานมากขึ้นสู้ไม่ไหวก็ต้องฉีดโมโฟีนเรื่ยไปสุดท้ายจะตายไปด้วยความหลงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่รู้ความจริงอะไรแต่โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย ปล่อยให้จิตเนี่ยมันเรียนรู้ให้มันเห็นเลยให้มันรู้ด้วยตัวจิตเองเลยอ<ม>วิาวนาเนี่ยมันมันไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ของเราอย่าไปหลงพูดอย่างนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้มันต้องได้ฝึกฝนอบรมไม่งั้นมันวางไม่เป็น พอวางไม่เป็นมันก็ไปยึดเวทนาว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นถ้ามันเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้สู้ฝึกความอดทนฝึกสติฝึกปัญญาของเราแล้วเวทนาเนี่ยมันมีขีดจากัดของมันมันจะเจ็บปวดไปถึงจุดหนึ่งเท่านั้นมีขีดจากัด แต่ปัญญาเนี่ยมันอยู่เหนือเวทนาเพราะมันจะต้องรู้ได้ว่าเวทนานี่เป็นธรรมชาติอันะไรเท่า น, นั้นเองไม่ใช่เรื่องของจิตที่จะไปยึดเวทนาไปหลงเข้าใจคิดว่าเวทนาเป็นของเราเป็นตัวเราเนี่ยมันจึงปล่อยวางเวทนาได้จริงเนี่ยว่าจิตยึดเหนือเวทนาก็คือเวทนาไม่ทําให้จิตเป็นทุกข์ได้ มันจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามมันจึงจิตที่จิตปล่อยวางได้จริงปล่อยวางเวทนาได้เวทนาหลุดอไปจากจิตได้จิตกับเวทนาไม่ใช่อันเดียวกันแต่ต้องอาศัยจิตที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปกับเวทนานั้นพร้อมเลยผมจะตายเป็นตายต้องรู้ความจริงใี่แห้ะ ความเป็นจริงเวทนามันก็ไม่ใช่จิตอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วถ้าจิตอยากทุกข์ก็ไปยึดเอาสิตเขานี้ปล่อยจิตได้ด้วยนะรู้วิธีปล่อยจิตขนาดนั้นเลยนะที่แรกนี่หวงจิตอกลัวจิตจิตมันเป็นทุกข์กลัวจิตกลัวปวดสุดท้ายสอนจิตไปสอนจิตมานี่กําลังมันพอเลยทิ้งจิตไปเลยวางจิตเลยไม่เอา อยากเจ็บเจ็บไปเลยในเมื่ออยากเจ็บอยากปวดก็ยึดสิตยึดเข้าไปเลยเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดก็ต้องปล่อยสิคราวนี้ปล่อยทั้งเวทนาปล่อยทั้งจิตเลยทีนี้พอปล่อยแล้วมันจะคุ้กกันอย่างนีปล่อยจิตให้ยึดเวทนาเวทนาก็กุ้มรุงจิตแต่ว่ามันก็มีปัญญาตัวหนึ่ง พอปล่อแล้วมันจะมีปัญญามีผู้รู้ขึ้นมาสังเกตการอยู่ข้างนอกทีนี้พอจิตมันมันไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะปล่อยวางเวทนาได้เองเหมือนมันรู้ว่ายึดไม่ได้เหมือนจับไฟไฟมันร้อนต้องปล่อยสถานเดียวไม่งั้นทรมานตรงนี้จิตจะมีพัฒนาการขึ้นมา มีปัญญาที่สูงสุดเลยสูงกว่าเวทนาเลยแต่มาเวทนาขนาดไหนก็วางเฉยได้เราก็จะไม่กลัวเวทนายิ่งเจ็บปวดนี้จิตยิ่งชอบทีนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ามันวหวเครื่องมือฝึกจิตมาแล้วคู่ต่อสู้มาแล้วมันท้าทายมาก แล้วอย่างมันก็ทำให้จิตตื่นตัวไม่ง่วงเหนา ม, มันก็ได้ประโยชน์จริงจีนียิเจ็บปวดรุนแรงขนาดไหนไม่กลัวเพราะจิตรู้วิธีปล่อยแล้วปล่อยเป็นแล้วท่านนั้นเนี่มีโยมเขาโทรมาโทรศัพท์มาคุยด้วยพ่อของเขา ก็คือโยมมุกดาน่นหละพ่อเราอายุเก้าสิบกว่าปีแล้วเก้าสิบหกมั้งก็ปฏิบัติธรรมจนจิตมันสูงแล้วพอดีมันเป็นช่วงเวลาที่หมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดหัวใจนี่แหละเขาก็โทรมามาปรึกษาว่าจะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีควรทำยังไงดีหมอนี่เชี่ยวเข็นให้ผ่า แต่ว่าเขาก็ญาติพี่น้องหลายคนก็ต้องทำตามหมอแต่เขานะ่ะสงสัยว่าจะทำยังไงดีก็โทรมาปรึกษาเราก็บอกว่าอุย้ยพ่อก็อายุเก้าสิบหกปีแล้วอะแล้วไปผ่าตัดแล้วมันก็จะได้อะไรขึ้นมาติดหน่อยพ่อก็ต้องตายอยู่แล้วล่ะให้พ่อไปตามธรรมชาติไม่ดีกว่าเหรอ ก็รักษาไปตามอาการนั่นแหละประครับประคองไปเขาก็บอกว่าแต่ว่ามีญาติพี่น้องน่ะเขาก็จะตามีเอาถ้าอย่างนั้นหาทางออกให้ไปถามพ่อดูว่าพ่อจะผ่าไหมถ้าพ่อผ่าก็ผ่าถ้าเจ้าตัวเขาไม่ผ่าก็ต้องเอาคำพูดของพ่อนี่แหละไปอ่างแต่เรามั่นใจ เพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมจิตของเขามีธรรมเป็นที่พึ่งเราเชื่อว่าเขาต้องไม่ป่าพราะเรื่องแค่นี้เขาต้องปล่อยวางได้เขาก็ไปปรึกษาพ่อเขาเอาญาติพี่น้องเข้าไปฟังอป๋าเนี่ยหมอเขาจะผ่าจะผ่าไหมไม่ป่าอะพูดแบบสบายๆไม่ป่าอาตกลงกันไม่ผ่า ก็อยู่ไปอีกหลายเดือนต่อมากับอาการกับชุดไปเรื่อยๆไทยๆคนแก่มันมันมันเต็มที่แล้วอ่าประคับประคองกันเต็มที่ตรงจ้างคนดูแลมาดูแลพี่ดูสเลกันทุกวันเลยเนี่ยมันมันระบบหายใจมันเริ่มชิดไม่ทํางานกันแล้วล่ะจะหายใจไม่ออกแล้วต้องดูสเลกต่อมาก็มี ตัวที่บอกให้รู้ว่าเขาอีกไม่นานแล้วเพราะความดันเริ่มลดแล้วหมอก็บอกว่ามันจะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งคนไข้จะทรมานมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเจาะอะไรสักอย่างทำอะไรนี่แหละอะไรอีกแล้วก็โทรมาอีกแล้วคือตัวเองก็รู้ว่า <c oughs> คนไข่พ่อเนี่ยต้องทรมานมากแ น, น่ๆตอนที่มันใกล้จะตายหละมีธนาจะต้องแปลงแล้วคนใกล้จะตายอ่ะมันก็จะมีความทรมานเหมือนมันหายใจไม่ออกร่างกายมันก็จะดิ้นหลงทุรนทุลายอะไรนี่แหละหมอเขาก็อาจอธิบายให้ฟังเขาก็เอาอีกแล้วโทรมาปรึกษาอแล้ว เราบ่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติเลยตัวเราก็จะปล่อยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าจิตในเมื่อมันมันมันมันมีระดับแล้วมันเหนือเวทนาแล้วมันมันก็แค่ทรมานนิดเดียวแค่มีอาทรมานทางกายนิดนึงแล้วจิตเขารู้แล้วเนี่ยว่ามันมันแยกออกแล้วระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันแค่ทรมานร่างกายมันก็ปล่อยได้จิต แล้วมันก็จะปล่อยแล้วมันก็จะไปของมันเนี่ยตามธรรมชาติเข า, ากลัวเนี่ยว่ามันจะเจอสภาพที่คนดูเนี่ยญากมีนทนไม่ไหวคปนสภาพที่ทรมานเราบอกเอาถ้าอาวัตต์ตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ถามคนป่วยที่น่มาจอากยังไงแล้วไปอธิบายให้ฟังด้วยว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ อธิบายข้อมูลที่หมอเขาแนะนำานี่ ย, ยก็ไปบอกพ่อของเขาอธิบายให้ฟังขั้นตอนระ ว, วงังให้ปล่อยไปตามธรรมชาติกับการที่มันเจาะเลือดอนี่แหละมันจะเป็นยังไงให้เขาเลือกนีงป้าเขาบอกเลือกไปตามธรรมชาติเรื่อจิตนี้มันมีธรรมมันไม่หวั่นไหวมาก็เรีอกอยกยาพี่น้องมาแล้วก็ตกลงกันตาม ถ้าไม่งั้นนะถ้าผ่าตัดหรือทาอะไรสักอย่างนอนเป็นเจ้าชายนิทาอยู่โอเปน ป, ปีเลยอะ่ะมันน่าสงสารญาติพี่นอ้องไอ้คนดูแลมันดูแลไอ้ร่างกายซึ่งมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วอะมันกลับกลายเป็นพาละต้องดูต้องแลต้องหาอยู่หายาอะไรประคับประคองกันอยู่นั่นนะไม่รู้กี่ปี เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ารอเวลาทัานเองประคับประคองไปตามธรรมชาติไม่ได้ไปทำอะไรเกินนั้นนี้ถ้าหาว่าเราฝึกเอาไว้เนี่ยถึงเวลาที่ธาตุขันมันจะสลายมันไม่หวั่นไหวพรอมเลยคือเรารู้ว่าจิตเราปล่อยวางได้แน่นอน จิตไม่ยึดไม่ติดในข้องเวทนาเนี่ยแล้วทรมานไหมทรมานเหมือนกันแต่ว่านิดหนึ่งหรืถึงทรมานขนาดไหนมันยอมรับได้จิตมันยอมรับได้มันไม่กลัวเลยยอมรับได้ก็ปล่อยไปนี่มันจริงไม่มีทุกข์แล้วก็ยอมรับได้จริงๆด้วยปล่อยได้จริงด้วย เพราะว่าเราฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นทวทนามานี่มันเป็นเครื่องทดสอบเลยฝึกจิตเตรียมตัวตายก่อนตายได้เลยแล้วก็มั่นใจแน่ใจเลยจิตก็เข้มแข็งด้วยมีกำลังแล้วถ้ามันได้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเนี่ยโอ้โหมันอาถรรนะจริง วางวทนาได้ก็วางกายได้เพีนี้เองเนี่ยแล้วก็เหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแสงสว่างของปัญญาเหมือนกับปัญญานี้มันโลกมันมีอะไรปิดบังอัมทาบสุดท้ายก็เดินมาดูตัวเองมาอยู่กับตัวเองมาอยู่ก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องรู้ด้วย ว่าจิตของเรามันอยู่ยังไงมันมีเรื่องราวอะไรที่มันค้างคาอยู่ในใจิตใจนี้ไหมหรือว่าไม่มีอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้ปฏิบัติ ทก็สอพระก็สอนเหมือนกันสอนโยมก็สอนเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายตัหมายว่าผููที่เห็นในวัตตาสงสารทั้งพระทั้งภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาที่แวดล้อมอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอไม่ฉลาดในวาลจิตของคนอ่นทรไซเธอ จงฉลาดในวาและจิตของตนก็หมา่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปรู้จิตของคนอื่นไปหมดทุกอย่างก็ให้มาฉลาดในจิตของตัวเองตอนนี้จิตของเราเป็นยังไงให้รู้กรูจะบอกจิตเราเศร้าหมองก็ให้รู้เศร้าหมองมากหรือเศร้าหมองน้อยก็ให้รู้ จิตของเรามีความโกรธมากโกรธน้อยก็ให้รู้พยาบาทมากน้อยรู้จิตของเราไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทให้รู้รู้ตลอดเลยนะจิตเรายินดีก็ให้รู้ยินดีตั้งอยู่ก็รู้ยินดีมากยินดีน้อยจิตมีทีนมิทักข้องงำอยู่ก็ให้รู้เห็นรู้นม่กระทำว่ามีตัวง่วงไหม ถ้ารู้อย่างนี้มันมันจิตมันจะมีกำลังเหมือนมันเหมือนมันถอยมาตั้งหลักมันถอยออกาแทนที่มันจะไปจมเนี่ยไอตัวจิตเหมือนแทนที่มันจะไปจมอยู่กับไอเวทนาไอทินามิทานมันเหมือนจิตมันถอยออกมาเนี่ยจิตที่มีกำลังมันต้องถอยออกมาดูไม่อยาไปจมเน่สมาธิก็เหมือนกันสงบก็ไปจมอยู่ความสงบอะไรนี่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์ พักสบายแต่ว่ามันปัญญามันันไม่ก้าวหน้าคือไม่สามารถใช้สมาธิเป็นบารฐานของปัญญาได้ต้องให้จิตเนี่ยมันเป็นผู้ดูถอยออกมาดูตั้งใจดูเนี่ยอาถ้หาว่าใครทาได้แสดงว่าจิตมีกาลังแล้วดูไอ้ตัวจิตมันเป็นผู้ดูขณะที่มันดูนี่ มันเป็นตัวของตัวเองงั้นมันมีกําลังของตัวเองไปกีฬา อ, อารมณ์ทั้งหลายไม่สามารถครอบงำมันได้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยพอรู้ปั๊บเนี่ยหมายว่าจิตเรามี่แยกออกจากอารมณ์แล้วถ้าจิตมันแยกออกมาได้เนี่ยจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อย่างเจ็บปวดอย่างเนี่ยมันก็ถอยออกมาดู เราตั้งท่าดูเลยเจ็บมันก็เป็นเรื่องของเวทนาไปเจ็บก็อยู่ที่ร่างกายไปเจ็บก็ไม่ใช่เราไปความจริงมันไม่จะปรากฏกับจิตเราละเ อ, อียดเข้าไปอีกอารมณ์ที่อยู่ในจิตอารมณ์ที่มาครอบงำจิตเช่นพวกปยาบาดความโกรธพวกความไม่พอใจปฏิฆะทั้งหลายหรือพวาความ ส, ส, สิ่งเศร้าความเศร้าโศกความเศร้าหมองความย่วงความสงสัยเนี่ยอาการของจิตหมดไม่ใช่เราแต่มันเป็นความรู้สึกชั่วคราวเป็นอารมณ์ที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเหมือนมีอะไรปุ๊บปั๊บเข้ามามันก็จะเริ่มเนี่ยตั้งท่าสงสัยละจิตอะไร มันก็เป็นธรรมดาแต่ให้เรารู้มันอยไปห้ามมันรู้สงสัยก็รู้ว่าสงสัยเนี่ยเนี่ยวิจิตรฉาบเกิดขึ้นถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรอ่ะพอเรารู้ทันมันพ้ารู้ทันเมื่อไหร่จิตของเราจะอยู่ในอำนาจของสติสติคุมไว้เลยมันก็ไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามาส่วนการกระทบอารมณ์มันก็มีเมื่อกระทบแล้วจิตมันก็จะต้อง มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นปฏิกิริยาของจิตนี้มันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองหมือนดิมก็เห็นของดีของสวยของงามมันก็อยากได้อันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนี่ถ้าเรารู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันมันอยากได้แรงขึ้นแรงขึ้นนี่เป็นอุปทานแล้วเนี่ยเพราะความไม่ทันนี่แหละมันเก็เลยอุปทานมันก็เข้ามา เพราะความอยากมากๆอยากมากก็ไปยึดเอาเอารมณ์ที่มันอยากต้องการนั้นเอาไว้ในจิตเป็นตัวเราเป็นของเราเราเราในเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทางานของจิตอ่ะหน้าที่หลักของเราเคืออะไรอ่ะสติรักษาจิตไว้เพียงก็เพียนมีสติเพียงรักษาจิตเพียงอบรมจิตสอนจิตให้มันเข้าใจ แต่เพียงนั่งสมาธิอก็นั่งสมาธิแต่ทีนี้จิตอยู่ข้างในมันทํำยังไงอะมันเป็นยังไงอยู่แต่นั่งสมาธิแต่ว่าจิตมันจมเข้าไปอ่ะเป็นสมาธิจริงแต่จิตไปจมอยู่กับสมาธิไม่รู้การีการหนึ่งสงบรู้ว่าสงบ มาดู อ, อยู่ดู อ, อยู่หรือวเป็นสมาธิไม่จิดสมาธิอย่างเนี้อะไรเก็ดขึ้นก็รู้เกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงแต่มาจิตเรามีอะไรเข้าไปครอบคุ ม, มก็รู้ปฏิญาของจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราทันมันเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ตึงต่อมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ทันมันหนีมันตึงไปตั้งเยอะตั้งเี้ย กตายเป็นเราเลยหลงไปกับมันเลยอ่ะพอหลงแล้วก็เป็นเราแบบชนิดที่หัวปักงัวปั๊เลยนะทีนเชื่อมันแบบเอาไปมาตายเลยอ่ะทีจริงมันมันมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันมันมันแค่ตาเห็นบ้างได้ยินเสียงบ้างมีอะไรกระทําใจมันตึงขึ้นมาบ้างเรื่องราวภายในจิตก็กระทบเข้ามา มันก็เกิดอารมณ์ต่างๆเข้ามาเนี้ยมันแค่นี้เองเหตุปัจจัยเกขึ้นมันก็ยอดเข้ามากระทบจิตเราถ้าเราทันมันก็กระทบแล้วมันก็ดับอารมณ์อะไรเข้ามาถึงยังไม่ดับเราก็รู้วันยังไม่ดับมันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันปรุงขึ้นมาแล้วเราเราไปเชื่อวันที่นี้มันมันยึดไว้แล้วอ่ะมันก็ปรุงได้มากปรุงไปวนไปเวียนมา เรื่องเราก็มากมายคิดปรุงไปกว้างขวางก็เลยเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่หรือที่ชีวิตของคนเราอ่ะมันทุกข์เพราะจิตเรานี่เองเนี่ยพราะจิตไม่รู้มันยังมาที่ตัวไม่รู้เพราะนั้นเราต้องสอนจิตให้รู้เนี่ยพระุทธเจ้าจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรียกเลยเรียเร่ยงนี้เพื่อเลียงความสนใจ มาให้หันมาฟังธรรมของพระองค์อถ้าเธอไม่รู้วาระจิตของคนไม่ฉลาดในวาระจิตของคนอิจัยให้มาฉลาดในวาระจิตของตนจิตเป็นยังไงก็ให้รู้เนี่ยในจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นไม่ให้ติดสมาธินะพูดอย่างนี้เลยนะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตสงสัยกรู้ว่าจิตสงสัยเพราะนั้นเราก็เลยจิตของเราตอนนี้มันอยู่ยังไงมันเป็นยังไง อาการของจิตมันไม่มีมันก็ดูอย่างอื่นได้เพราะว่าจิตมันก็อาศัยกายอยู่อันไหนเด่นขึ้นมาก็ดูอันนั้นได้เห็นดูกายว่างเวทนาก็ได้จิตก็ได้มันวางไปแล้วมันไม่เมีอเลยแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันรู้ขึ้นมาก็รู้มันรู้มีแสดงว่าสติดีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันมันก็ไม่หลง ไม่หมันเป็นวิชาแล้วเนี่ยคือวิชามันจะเกิดอวิชาจะเกิดมันเกิดตรง น, นี้แต่แรกมันอยู่เฉยๆมันยังไม่มีอวิชาขายไม้กามันนานเนื่องมันยังไม่เกิดมันคอยโอกาสคอยเวลาอยู่เผอเมื่ อ, อไหรอ่อ่ะตัวตนของเกิดขึ้นเพราะนั้นถึงว่าตัว ต, วตนมันเกิดขึ้นชั่วคราว ความหลงมันก็เป็นคร า, าวๆอวิชาก็มาเป็นคร า, าวๆไม่ได้อยู่ตลอดเพราะนั้นถ้าเรามีสติอยู่มันก็เป็นวิชาเรื่อยไปอวิชาก็เข้ามาไม่ได้เนาอย่าให้หลับนะอย่าให้จนดูให้ได้เนี่ยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสงบไปเรื่อยสงบ ต, งตลอด วิธีอะไรเราก็รู้กันหมดแล้วทีนี้ก็ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันเกิดประโยชน์เอาวันนี้พอแค่นี้นะ